ปรมเทศนากันนี้ท่านอาจารย์มหาบัวญาณ ส, สัมปันโนเทพบรมพระเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2588ณวัดป่าบ้านกาดจังหวัดอุกร ด, ดนานี์ทำพิ ที่เกิดขึ้นในเบื้องตน้สนสำหรับนัก บ, บวชคือคิดเพื่อแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องโปรดรักษาความคิดเช็นนี้ไว้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 จึงเป็นเหตุให้มีความคิดและเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อเป็นผู้ที่แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะได้ดำเนินไปได้วยความสะดวกและราบรือแม้สามุกอง ใ, ใดๆ ที่ปรากฏว่าได้ถึงแดนแห่งความคดเคร้ยก็ต้องมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันเป็นคิดอยากจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระภูมิพระบาทเจ้าเพื่อพรองคท่านเลยตรงอุทวาต แนะนำคำสอนทั้งทางที่ถูกและทางที่ผิดเพื่อท่านผู้มีความใคร่ต่อการศึกษาและปฏิบัติจะได้แจ่ไขและดำเนินไปโดยถูกต้องดังนั้นการ ส, สร่แสวงหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจเราว่าจะเป็นผู้สามารถแนะนำคำสอนตัวของเราได้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 ที่จะคอยมาแทกสิงและลบล้างความคิดที่ดีของเรานี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในฉากเดียวกันมเมื่อมีโอกาสเขาอาจจะคิดขึ้นได้เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตาม เถงกับกายวาจาของเราได้ไววไปตามนั้นด้วยแม้ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดมุ่งไปตามความคิดที่เคลือบแฝงเช่นนั้นไปเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้เราได้รับความเสีหยหายแต่วันนั้นเล็กละ น, อน้อยและด้อยในทางด้านปฏิบัติซึ่งจะยังผลให้ ปรากฏขึ้นมาเป็นลำหนักเพาเรื่องของคิเลศกับธรรมะนี่ตามธรรมดาแล้วท่านถือว่าเป็นค่าสิบของกันแลกันถ้าคิเลสมีกำลังมากก็สามารถที่จะลบล้างธรรมะซึ่งเป็นของดีเยี่ยม ให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับไม่มีธรรมะภายในใจก็ได้ถ้าธรรมะมีกำลังมากก็สามารถจะลบล้างที่เลสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไปและจนหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือเช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจากและสาวกอรหรันท่าน ดังนั้นเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติโปรดได้คำหนึ่งถึงเรื่องใจของตัวเองว่ามีค่าสึกจยูประจำตัวตลาะตลอดเวลาลการแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อปฏิบัติในทางที่ดีจึงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าสึก ต่นั้นให้มีกำลังน้อยลงไปในขณะเดียวกันก็เพื่อจะส่งเสริมความคิดและความประพฤติ ท, ที่ดีอันเป็นการจะสนับสนุนจิตใจของเรา ให้มีช่องว่างพอทางด้านธรรมะจะได้เกิดขึ้นวันลเล็กละน้อนจนกลายเป็นคนมีธรรมะภายในใจเริ่มต้นแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจถึงจนถึงจุดสุดท้ายได้แก่ยินมพณิพานสถานที่ก็ดีการก็ดี นั่นเป็นการาพาดชั่วระยะการของเราที่จะแสวงหาชัยสมรภูมิสำหรับนักรบอันให้ใต้น้มว่าผิดของประาลาดกฎแต่หลักสำคัญที่จะ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 และด้วยอำนาจของปัญญาอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติและเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อข้ามพ้นด้วย สิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งตนเชื่อแน่ว่าถูกตามหลักธรรมของ พ, พระพทธิจักจะปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยก็าตามให้ถือว่านั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญห่วงความลํำบาก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 รับรู้กันอยู่กับความความขัดข้องนั้นตามววละที่ความขัดข้องสแสดงตัวออกมาสถานที่นั่นแหละคือชัยสมรภูมิได้จากสนามลบเพื่อชัยชนะเป็นลำนัก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 จงดูเรื่องของตัวเองคือหัวใจให้ชัดเจนดูเรื่องหัวใจจะรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกับใจนั้นดูด้วยกันในเวลาคือเวลาที่เรายังมีกิเลสอยู่ โปรดได้ทราบไว้ไม่ได้อยู่ในสถานที่และการใดๆนอกจากจะแสดงตัวขึ้นมาทิดตของเราทุกๆขนาที่มีความพลังเผอเท่านั้นการแก้ไขกิเลส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 ตลอดไปแล้วเราควรแล้วหรือจะไปเชื่อเรื่องหัวใจที่เป็นไปกะัะบื้องกิเลสเป็นผู้กระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีแล้วควรจะยอมจำนวนตามเขาที่ที่เขีนคิดไปทางไหนแล้วเอียงๆและล้มละลายไปตามเขาขนาดเราจะหาตัวของเราที่แท้จริงไม่เจอเราจะหา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 นั่นคือคนทุกข์คนจนจนสมบัติความจนจนถึงเกิดความทุกข์เกือดร้อนแต่ตนเองและครอบครัวทั้งนี้เป็นขึ้นมาจากความอยู่เฉยๆคือความเกลียดครานเป็นตัวหินน่ะลักษณะของจิตที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่พินิษพิจารณาไม่หางานทำ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 เกิดขึ้นจากความไหวตัวซึ่งได้แก่การทำงานอีกเช่นเดียวกันเมื่อสรุปความแล้วศีระสมัติสมาธิสมัติปัญญาสมั ต, ม ต, ม ต, ม ต, มติจะหาทางเกิดขึ้นมาได้เฉยเฉยนั้นไม่มีทางนอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยก า, การขวัขวายคือการระมัดระวังรักษาก็จัดว่าเป็นการขวัขวายการอบรมจิตใจบังคับจิตใจ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 สมาธิสมบัติคือความเยือเกเย็นภายในจิตใจก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการขวนขวายปัญญาสมบัติซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันลี้รับอยู่ภายในใจก็จะมีทางเกิดขึ้นและมีโอกาสจะถอดถอนเลสตซึ่งตนเห็นว่าเป็นค่าสึกออกได้เป็นลาดับนี่ เรื่องของคนทํางานต้องมีผลรลายได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในเมื่อเราแยกเรากับกิเลสแยกกลานั้นให้คือให้เป็นไปในะทางฝ่ายธรรมะล้วนๆคือธรรมชาติที่จะถอดถอนหรือแก้ไขจริงที่เป็นข้อข้องใจของเราให้หมดไปได้เป็นลําดับๆนี่เป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายกิเลสคือเป็น ถ้าศึกสําหรับจะก่อวกวนจิตใจของเราให้รับความรุ่มร้อนหรือให้เห็นไปเสียว่าเป็นความลำบากลําบนในการประกอบความผาคความเพียรในการประกอบข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นฝายกิเลสที่จะฉุดลากเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกิเลสกับเราจะแทบเข้าเป็นอันเดียวกัน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 ซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่เฉยๆอันเป็นมูลฐานนั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคำหนึงเสมอหากว่าการปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วปรากฏความสุขความเจริญเกิดขึ้นมา ทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นขอบเขตไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับไม่มีหลักธรรมวิานัยเป็นเครื่องดำเนินแม่ที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะได้รับความสุขความเจริญประดำตามกันหมดเพราะเป็นไปตามอํเาเภอใจไม่ต้องมีการฝืนไม่ก็ต้องมีการบังคับดัดแปลงตัวเองแต่ก็เป็นไปได้ตามอํเาเภอใจผลก็เกิดขึ้นมาตามใจหวัง แต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ท่านจิงกลาวไว้เสมอว่าปุสลาธรรมะอากุสลาธรรมะอพยากตาธรร ม, มาได้จากกุศลและอกุศลคุณง่ายๆก็คือได้จากความโง่กับความฉลาดเป็นผู้จะพาดำเนิน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 ก็ควรอย่างยิ่งที่จะพินิษพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลแม้จะยากลหบากก็ตามเมื่อเหตุผลลงกันได้แล้วเราต้องทำทำว่าเหตุผลลงกันได้ก็หมายถึงลงกันได้ในทางที่ถูกและทางที่ผิดเมื่อเห็นว่าเหตุผลลงกันได้ในทางที่ถูกจะยากลหบากก็ต้องบาเพ็ญ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 เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื้อธรรมของพระพุทธเทจ้าอันเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรนม้จะยากลำบากก็ไม่ทำหนึ่งขอแต่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้ถือมาเป็นหลักใจของตัวเองแล้วพยายาม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 ผลจะนิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้อย่างไรต้องแสดงออกมาจากหลักของเหตุโดยเนี่นอนมากตือน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนได้บาเพ็ญเอาไว้ความยากในการประกอบความเพียรความลำบากหรือความทุกขในการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์นี้ เราลองเอาไปเทียบกันกับความลำบากลำบนที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในพพในชาติไม่ทราบว่าพพไหนชาติใดกำเนิดใดมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งหนึ่งความสุขความทุกข์เกีบบนบนก่ยวบปนเปนไปกับเรื่องความเกิดความตายในพพในชาตินั้นมีจํานวนมากเท่าไหร่ถ้าเราจะเห็นว่าตัวของเรามีราคาและจะพยายามหรือถอนตนให้พ้นจาก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 ถ้าใจได้ดำเนินตามทางของอริยสัจหรือสติปัฏฐานสีนี่แล้วต้องเป็นมาคาปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปข้อสำคัญขอให้มีความจงใจตั้งหน้าตั้งตาทาจริงอ่าวันนี้ีิจารณาอย่างนี้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 ปในอาการนั้นและวันนั้นทำไมจิตหนักปในอาการนี้เราไม่ต้องไปคำหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของอริยสั์ซึ่งเป็นธรรมรับรองเพื่อความถูกต้องอยู่แล้วจิตจะไม่ผิดพลาดจากหลักของธรรมะต้องกรงแนวอยู่เสมอเมื่อเราได้พิจารณาตามที่กล่าวมานี้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 ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยสัญญาและอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้แต่เรื่องของกิเลสถึงจะปรุงก็ต้องปรุงเพื่อกิเลสจําหมายก็ต้องจําหมายเพื่อกิเลสรับรู้ก็ต้องรับรู้เพื่อกิเลสส่วนเรื่องของธรรมะแล้วเน้ยจะใช้สัง ข, ขารก็เป็นสังขารเพื่อแก้ไขที่เรียกว่ามาแต่ถ้าสัญญาก็เป็นสัญญา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 เมื่อตนไม่สามารถจะคลี่คลายเรื่องของตัวเองให้รู้ชัดว่าส่วนไหนเป็นส่วนดีส่วนไหนเป็นส่วนชั่วตัวของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของกิเลสวันย่างคำไม่มีในตำราไม่เคยได้ยินแบบแผนตำหรับตำลาไปตกนรกขึ้นสวรรค์ชั้นถมสาเร็จเป็นพระหรหรัสรหันไปติดคุกติดตารางที่ไหนไปทาโจรกรมทำร้ายผู้ ใครชกลักต้นสะ d o ที่ไหนไม่มีในคำภีไบร า, านคำภีร์ไบร า, านไม่ได้ไปทําความดีความชั่วทีงนั้นท่านจึงกล่าวไวะ้ว่าตํารานั่นท่านพูดไว้โดยถูกต้องคือชื่อของทำชื่อของกิเลสชื่อของคนผู้ทําความชั่วความดีชื่อของคนผู้บริสุทธิ์ผู้เศร้าหมอง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 เยาะเย็เนละบริสุทธิ์ไปเป็นลําดับดัๆจนถึงความบริสุดดทธิ์เบื่อสิ้นเชิงกว่าจากหลักใจอันเดียวจากกายกับใจนี้เท่านั้นนั่นเราจะไปมองหาที่ไหนมองหาที่เห็ดตันหาที่แท้จริงตำรายากับตัวยาไม่เหมือนกันเราจะไปหาในตำรายาหายาในตำรานั้นเราก็จะได้แต่ชื่อวันยั่งคํา ตัวยาไม่ได้อยู่ในตำราแต่ชี้บอกมาถึงตัวยาต่างหากนกัมภีบาลานท่านชี้เข้ามาเรื่องของบุคคลเรื่องของเราทุกขังอะไรเป็นทุกนั้นยกอริยสัจสีขึ้นมาพูดตำราไม่ได้เป็นทุกเรื่องความไม่สบายการไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของคนของสัตว์เรื่องของเขาของเรา สมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเห่เหิมท่นานเรียกว่าการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราของท่านเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของตำราจะเป็นมากคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลทอนนาที่จะบำเพ็ญให้มีทางหลุดพ้นไปได้จากเรื่องของสมุทยัยจนกลายเป็นิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมา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 ด้วยเรื่องจะเกิดขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติแต่ละพบระชาติจะเป็นชาติใดภาษาใดจะเป็นกำเนิดใดๆก็ตามชาติท่านมันน่าใดก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของกิเลซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นใดแล้วทำไมเราจะไม่สามารถที่จะนาให้รู้เรื่องของเรา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 ไม่มีทางอื่นเป็นที่ทาบหลุดพ้นก็จะหลุดพ้นไปในระหว่างแห่งอริยสัจจะทำทั้งสี่ไม่มีทางอื่นเป็นทางหลุดพ้นเราจะไปหาที่ไหนหาความพ้นทุกนอกจากจะหาที่มีทุกอยู่นี้เท่านั้นว่าทุกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกเรายัางสติปัญญาลงไปพร้อมทั้งความเพียนเป็นเครื่องสนับสนุน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 จสามารถถอดถอนจิเดชได้ด้วยมะวิริยาแห่งความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธจะนอนนิ่งองค์อยู่ไม่ได้ต้องแสดงขึ้นมาท่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องถึงกันต่แยกกันออกไม่ได้เหมือนกันขอให้ทำความเข้าใจภายในเราซึ่งเป็นองค์ของอริยสัจอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรบกคร้องนนอกจากว่าเราจะขวัขวายดาเนินตาม เรื่องของสัจจะที่มีอยู่กับเรานี้ให้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือไม่เท่านั้นเมื่อได้รู้รอบในสัจธะทำทั้งสีนี้เรื่องความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามที่ไหนตำนาทั้งกวีเข้ามาที่นี่เข้ามาถึงผู้ที่บำเพ็ญตนให้ถึงความหมดจบแล้วก็ชี้บอกว่าบริสุทธิ์น่ะแต่บริสุทธิ์ที่ไหนนอกจากจะบริสุทธิ์ในจุดที่เศ้ามองเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางบริสุทธิ์ได้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 เอาที่ไหนนอกจากจะยกอริยสัจนี้ขึ้นเป็นทางลำเนินเท่านั้นโปรดได้ขุดค้นลงไปเรื่องราวกับเรื่องกิเลสจะได้เห็นได้ภายในใจหลวงด้วยอำนาจของความเพียรที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจะไม่มีอะไรสามารถมากั้นกลาง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 สิ่งที่พึงพอใจอันเราจะพึงได้รับในระยะต่อไปจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตับตามปฏิปทาของเราที่ได้ดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งยินขอยุตติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้